ถ้าจะเรียนหนังสือก็เรียนเหมือนกันหมดตามอักษรแพงนชนะของภาษานั้นๆนี่เรามาเรียนกรรมฐานไม่ใช่ท่องบนกอไก่ก็คือการเอากายนี่แหละเป็นตำลาเอาใจนี่แหละเป็นตำลา อยู่ในตัวเรานี้สติเป็นการศึกษาเป็นนักศึกษาเป็นผู้ศึกษาเหมือนตาแต่มันเป็นตาภายในให้เห็นให้เห็นไม่ใช่รู้การลู่การลู่ก็เป็นการลู้เห็นพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็น ไม่มีความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนไม่ได้เปิดตำลา่าให้ดีดูเรียนลงไปที่กายมันมีโชโจโชทของกายเอาดุนดุ้นอนก้อนนี่แหละมาศึกษามาให้มันเห็นเห็นกาย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 นอกจากกายมันเคลื่อนไหวแล้วมันมีอะไรอยู่นี่ที่กับกายนี้อีกหลายอย่างเป็นเวทนาเป็นโศกเป็นทุกข์ก็ให้เห็นจะเป็นก็เป็นเรียว่าเราไม่รู้ไม่เห็นเข้าไปเป็นใช่ว่าคนไม่รูู้้ที่รู้เห็นต้องเห็น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 มันมีอาการที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายหลายอย่างนี้ถ้าถ้าเราเป็นเรียกว่าเรียนไม่จบยังเป็นยังเป็นาธาตุของการเป็นผู้เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์อากายมาเป็นสิ่งผิดริงถูกอันนั้นเรียกว่ายังอ่านไม่ออก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 มันเป็นปัญญาเสียแล้วมันเห็นแล้วมันจึงพูดออกมาจึงคิดออกมาจึงทาความเห็นหแน้แฉมแงจ้งแล้วในกายจากว่ากายไม่ใช่จัดตกคนตัตนเราเขานั่นผ่านไปแล้วลื่นชั่นไปแล้วผ่านจากกายไปแล้วไม่เอากายมาเป็นสุกเป็นทุกข์ ถ้าเป็นอาการเกิดขึ่อกักายก็เห็นเป็นอาการไอ้ใช่ไอ้ใช่เราปวดเราร้อนเราหนาวเราเหิวถ้าเรายังไม่อยู่ในกายอันนั้นเรียกว่ายังเป็นการบ้านไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายถ้าเห็นเป็นอาการของกายไอ้ใช่เป็น ผู้เป็นเห็นมันแสดงออกเป็นอาการของเขาตามความเป็นจริงแล้วก็เวทที่เรียกว่าเวทนาน่ะเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็เห็นจากแต่ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่าเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนถ้าเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตน ลกลายมาเป็นตัวบรรตนกายก็มีทั้งสองชั้นเวทนาก็มีสองชั้นกายในกายเวทนาในเวทนานอกจากนั้นก็มีอุปทานเข้าไปยึดวเเ่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราสุขเราทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขาดหลังห้านี่แหละไม่เป็นทุกข์ เพราะมีอุปทานระยึดเอากายเอาเวทนาว่า like <le> เป็นตัวเป็นตนอย่างเนี้ยถ้าเห็นเป็นอาการธรรมชาติมันได้ปัญญาเกิดปัญญากายจะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคตัวตนเราเขาเวทนาจกว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคณตัวตนเราเขานะฮปัญญามันไปอย่างนี้ปัญญามันรอบรู้ในกองกายของ กองสังหานคือกายนี้ไม่ใช่ปัญญาไปคบไปคิดแตกฉานรู้โลกไปจอนเห็นอะไรต่างๆ <c oughs> น, นั้นก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งไม่ใช่ปัญญาการตัดสู้โยนจะเห็นจิตมันก็เห็นมาละจิตเนี่ยมันไม่หลบไปรีดรอกมันก็โง่มาคิดจิต ค, คือมันคิดกวาคิดที่เกิดจากจิต มันไม่ใช่จิตธรรมดามันเป็นการเพี่ยนไปจากจิตเดิมๆมันคิดความคิดนี่ได้ตั้งใจก็มีตั้งใจคิดความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจน่ะอ่านรั่วความคิดอันจิตที่มันไม่ได้คิดน่ะมันเป็นจิตปกติอยู่ถ้าเกิดความคิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆ เกิดจากกายเกิดจากอิธนามันก็ไปหาความคิดมันก็มีความพอใจไม่พอใจมีความผิดความถูกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไปถึงกับจิตอีกแล้วก็มีสองต่อทุกข์อยู่กับกายเป็นทุกข์ธรรมชาติทุกข์สามัญลักษณะถ้า ม, มีอุปิฎทานไม่ถือว่าเป็นทุกข์เป็นปัญญาได้ ถามีอุปทานเกาไปเกี่ยวข้องก็ถือว่าเป็นทุกข์สองต่อไปแล้วคือจิตก็ทุกข์กายก็ทุกข์าะจิตก็อุปทานมืน่อยึดว่าความสุขความทุกข์ความผิดความถูกไปเอาผิดเอาถูกแล้วก็ไปเอาชอบเอาไม่ชอบเข้าไปอีกมันก็เลยหลายๆชั้นทั่วไป เราจึงเห็นเนาะจิตที่มันไม่ร่างใจนะั่นเอาต้องรู้ทันทีอย่าปล่อยให้มันเป็นอฉลาดเราจะสอนจิตเดี น, นี่เรามาสอนจิตนี่แต่ตัวลูกเขาไปเี่ยวข้มอย่าให้มันเป็นสละเกินไปมาเราฝึกคว้าฝกควายฝึกช้างฝึกมา้าเราปล่อยให้มันไปน จะละตามธรรมชาติของมันก็ใช่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้จิตของเรานี่ก็เหมือนกันแต่ก่อนมันจิตที่บริสุทธิ์ก็ใช่มันเราเลืล่เธอเลืล่อไปก็เปิดเพื่อนได้เหมือนมีดมีดเนี่ยมีดหันผักมีดที่บริสุทธิ์ก็เราไปฟันที่ไม่ใช่ผักมีดสาหรับผันผักก็ไว้สำหรับผันผักถ้าไปฟันในสิ่งที่ ไม่ถูกปรมาณสจาะของมีดหั่นผักมันก็ผิดปรมัตจไม่เป็นมันก็ใช้มาได้เสียความเป็นมีดได้มีดโกนที่มันเป็นคมโกนผมได้เอาไปหั่นผักมันก็มาใช่อีกละมันผิดปรมาณัจจของมีดสมมุติปัญญะตเอาไว้หั่นผักเอาไวโกนผมแม้นว่ามันคมถือไปฟันต้นไม้อย่นี้มันก็ไม่ใช่ เราเสียความเป็นมีตรไปจิตของเราที่เป็นจิตตำเดิมว่าเป็นจิตที่มันเปื้อนเพื่อนไว้หลายอย่างจนเป็นปัจเจัยนิสัยทําให้เกิดจริตนิสัยต่างๆไปเลาข้จลิตโทโสจริตโมหะจริตไปตามที่เราไม่ระวัตระวัง เราจึงเห็นอ้าจิตที่ไม่ตั้งใจคิดนั่นลู่ทันทีสอนวันทีถูกสอนทูกข้องถูกข่าว ท, ที่มันหลงคิดไปให้มีตัวลู่สึกเข้าไปเกี่ยวข้องก็มันหลงที่ได้ลู่ก็มันหลงที่ได้ลู่ผมหลงหมดแหละมันจะเป็นการบทเรียนที่ทําให้เกิดความรู้เอาอย่างนี้การศึกษาถ้าหลงออกไป ในความหลงในความรู้ในความสุขไมีความรู้ในความทุกข์มีความรู้เข้าไปเลยจากนี้เรียก ว, ว่าศึกษาศึกษาคือถลงุงเหมือนเขาถลุงแน่เป็นก้อนตปนก้อนหินเอามาถลุงจนได้เนื้อเหล็กเตื้อทองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นดุน้นเป็นก้อนในความสุขก็เป็นสุขไปเลยในความทุกข์เป็นทุกข์ไปเลย ปัจ น, นี้ในความสุขมันก็มีความรู้ความทุกข์ก็มีความรู้ว่าหลงที่ยิตก็รู้ที่จิตจนถึงกับพี่น้าเลยไหวจิตสวอจิตไม่ใช่จัดผู้คนตัวตนเราเขาเรามันสุขก็หัวล้อเรามันทุกข์ก็ลองให้การลองให้กับการหัวล้อเนี่ยเท่าเท่ากันการเป็นสังขารเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกัน เลยหมือนกันเพราะนั่นจึงเห็นสภกว่าจิตไม่ใช่จดบุคคลโ ต, ตนเราเขา อ, อย่างเนี้ยเป็นสูตรไปอย่างเนี้ยทุกคนปฏิเสธสูตรนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดจะเจงขนาดไหนมาเรียนเรื่องธรรมะอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ใช่เอาเพศเอาไว้เอาวิชาความรู้มันสมองอะไรมาเกี่ยว มีการกระทาเหมือนการหมดจึงเรียกว่าการมฐานในที่สุดก็ทํำทำคือสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นความสุขความทุกข์นั่นแหละของง่วงหง่อห้อนอนความสงบบ้างความฟุ้งซ่อนบ้างกามืองเลยสงสัยบ้างกามาลาคะบ้างปฏิฆะบ้างปฏิบัติบ้าง มันเกิดขึ้นมาอันนี้ว่าทำทำที่เป็นกุศลมันสงบมันสบายทําเป็นอกุศลมันฝุ่งซ้อนมันเศ้าหมองนอนมาเกิดกับตัวของผู้ปฏิบัติมีความรู้เป็นความหลงอยากให้มันรู้มัอยากให้มันหลงอารมณ์บวกลบเข้าไปแต่ความรู้น่ยพอใจถ้าความหลงไม่พอใจ นั่นเรียกว่าทำอย่าเอาความรู้ความหลงมาเป็นสิ่งพอใจเอามาเป็นความรู้สึกตัวเลื่อยไปจนเห็นว่าทมสักว่าทมไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาโสดเนี่ยมันจะเป็นเห็นทีอะไรก็ตอบอย่างเดียวนี่มีสติเกาไปสติจะเป็นตัวตอบตัวขี้แยงตัวถลงุง เป็นนักศึกษาแล้วสติเป็นนักศึกษาแล้ววันเราเป็นนักศึกษาเรียนรู้เมือช่นักเรียนนักเรียนต้องเรียนเบื้องต้นพอทาอะไรลงไปอย่าไปคิดไกลถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นเด็กสอนไงก็เชื่อฟังแต่เราไปที่เป็นเด็กแล้ว ให้เราไปเรียนก็ก็อีกเราก็ไม่ต้องเรียนแล้วเขาอ่านได้แล้วชํานาญแล้วรู้ภาษาแล้วใช้ภาษาเป็นประโยชน์อันนี้เรียกว่านักศึกษาตัวเห็นกอเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นธรรมเห็นแล้วเห็นดีเห็นแล้วเห็นอี ก, อกรู้แล้วรู้อีกรู้เรื่องนี้ชํานาญมาก ชำนาญในกายชำนาญในเวทนาธรรมะในจิตธรรมชำนาญในธรรมเพรามันแสดงมันมาแสดงแบบโง่ๆแ้วก่อนเราไม่โง่แต่ก่อนเราโง่โง่ไปกับเขาเขาก็โง่เราก็โง่โง่สองต่อความหลงก็จะมาหลงโง่ในความหลงก็มีความโง่เราก็โง่ไปกับความหลงคนอือดหลง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 เอาความโกรธของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราเอาความหลงของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราเอาความทุกข์ความโศกของคนอื่นมาเป็นความลูกของเราแต่ก่อนเราไปกับเขาหมดอู้ได้โกรธก่อนเราโกรธที่หลังวันที่เราโกรธที่หลังก็มีโกรธไปกับเขาเช่นเขามาดาเราเขามาดาเราเราก็ไม่ผิด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 มันไม่ถูกคนก็ไม่รู้มองแบบเขาไม่รู้คนที่ไม่รู้เป็นคนที่ที่น่าสงสารแต่ที่เราจะโกรธเราก็เลยไม่โกรธแต่มองนในแย่ดีก็เขาเขาก็บอกเรานะเป็นกระจกทำให้เราดูตัวเองเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ถ้าไปพูดคนที่โกรธอยู่มันก็ไม่มีเหตุผลพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็มีปัญญาเกี่ยวข้อคนโกรธเป็นได้ปัญญาอีกแล้วไม่งูนะเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้อะไรที่อยู่กับคนอื่นอะไรที่อยู่กับสิ่งอง่นแล้วก็ช่างให้เราทำให้เรามีความรู้พอได้บทเรียนแล้วกายเวทนาจิต ธ, ธรรม เราเคยหลงมือนเขาเราเคยโกรธเหมือนเขาเราเคยทุกข์เหมือนเขาทำไมล้วจะไม่รู้จักความโกรธก็เหมือนกันหมดความทุกข์ก็เหมือนกันหมดความสุขก็เหมือนกันหมดแล้วแต่ใครจะหลงสมมุติปัญญยชนอุปทานของใครของมันเราก็เห็นมาแล้วตั้งแต่หลักสูตรบ้างท่นคือกายเวทนาจิตธรรมแต่ก่อนเรากายเป็นสุขเรากายเป็นทุกข์ เอเวทนาไปเป็นสุขเอเวทนาไปเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิต totally cool, มาเป็นทุกข์เอาทำมาเป็นความชอบเอาทำมาเป็นความไม่ชอบเราก็ไม่แตกฉานตรงนี้พอเราเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกมันจะแดงให้เราเห็นอยู่เลยด้วยเราก็เห็นของเก่าลูกของเก่างจํานานจนเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรม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 อาการธรรมชาติของเขาการที่เราหิวเช่นเช่นเราหิวยแต่แต่ก่เราเป็นทุกข์เพราะความหิวก็เป็นสศขเพราะความอิ่มที่จริงมันเป็นธรรมชาติของลูกการความหิวไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยเป็นความโผงใจซาเลยทีเดียวเวลามันหิวน่ะกราคนความหิว อายุเจิบปีเรายังหิวข้าตวตอนนี้ก็หิวหหน่อยนัง่งแลมันเดินทางไกลตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งหลายชั่วโมง <c oughs> มันก็ขาดแคลนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมันเนื่องด้วยอาหารชีวิตเรานะแต่มันไม่รู้จนะเขียวอ่ะเหมือนเราป่วยสี่เก้าห้าชนเนี่ยไม่รู้จะเขียวเลยก็อาน้าหนักเก็เจ็บ มันไม่รู้อยากหิวกรถลงรถหลงเหลือห้าสิบกิโลเลย <laughs> ตายแน่นอนไม่หิวอย่งไรไอหิวไปทุกทำไมไม่คช่เรื่องทุกเลยเป็นปัญญาอขอบคนความหิวบางทีคนหิวเข้าเป็นศึกสงครามได้เพราะความหิวก็ขึ้นใจเปาะบางเห็นเป็นลูก อูลูกมันหิวเป็นมันร้อนเป็นมันหนาวเป็นอันปวดมันเมื่อยเป็นนั่งนานก็ปวดก็ม้วยยืนนานก็ปวดก็ม้วยนั่งนานก็ปวดก็ม้วยเดินนานก็ปวดก็ม้วยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนลูกเนี่ยมันก็ใช่ตามธรรมชาติของเขาเห็นเป็นลูกเป็นน้าน้ํามันก็รู้จะกระไรได้ยกมือนี่ก็มีลูกเป็นน้ำ ถาทุกเสานี่มันบอกมัา ไ, ได้ให้มายก ม, มันมามันไม่มีนามมาทํา้ออื่นห็นไม่มีนามมาทําแต่มันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกสิ่งที่ครอบงำอยู่ไม่มีใครเป็นใหญ่อะไรในโลกนี้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงดังนั้นแต่ก่อนง่ยตนนัวนี้เร า, เราทําเองแต่ละเรื่งนี้เราทําเองมันก็ชดโชโลเรลย เปลี่ยนมาสองสมครั้งเราแต่ก่อนอยู่โู่นก็ตีเบอร์แปดโนนย่อยลงมานี่นนเนี่ยลงมเนี่ยเปลี่ยนไปอีกตำลังคาใหม่ยันตุ่มตำลังคาใหม่ซ่อมแซมอยู่เลยอันนี้ยังซ่อมแซมนะอันลูกของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ซ่อมจะให้มันดีเหมือนตามเดิมไม่ได้เหมือนเหมือนไม้ ไม่มันก็ยังดีได้แต่มันก็ยังเียายุมันก่อนอย่างน้องตานี่ ก, ก่อนก็หนุ่มกว่านี้จะให้มันหนุ่มเหมือนเดิมไม่ได้รูปเนี่ยใครๆครก็เสมอกันหมดไม่มีอะไรใครที่ยิ่งใหญ่กว่ากันไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ต่อท่านยงเตะทิ้งในสิ่งนักปลืงไปนี่รูปเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นทุกข์เพราะรูป จะปวดเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะรูปเห็นเป็นรูปแต่ก่อนเห็นเป็นกายจนง่ายถ้าเห็นเป็นรูปแต่ฉานะไม่ทุกข์เพราะรูปเห็นเป็นรูปเป็นน้ำน้ำก็คือพวกรูปอะไรได้เหมือนอยู่ด้วยกันโยเข้ามามีตอนนี้ใครก็ในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์เกิดในโลกเลยเหมือนกันหมดมีแต่รูปกับน้ำ ไม่มีใครตแตกแตกต่างกันรูปนามเท่าเทียมกันเกิดเจ็บเจบตายในเที่ยงเห็นทุกข์ถูกความทุกข์่างเอาแล้วถูกความทุกข์ข้องมแล้วต้องเป็นความทุกข์ข้องมำถูกความชุกจังเอาแล้วทำจะไหนการทําที่สุดแต่งกองทุกข์นี่จะปรากฏแค่เราเราจึงมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเรียนรู้มาให้มันทุกข์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 มันก็เป็นสภาวะทุกข์อะไรที่มันเป็นสภาวะทุกข์หายใจเข้าหายใจออกคลิปตาเกน้ำลายชีวิตประจำมันเป็นสภาวะทุกข์อารตุกทุ ก, ท, กทุกยอมาเป็นข้างเป็นขาวปวดหนักปวดเบาหายเหลืองทุกข์เป็นอารตุกะของทุกข์มันก็มีอีกแบบหนึ่งนิดเสทุกทุกหน่วงนิดให้เที่ยง ไหลเรื่อยนั่งอยู่นี้ก็ไม่เที่ยงเนี่นิดสันทุกไหลไปไหลไปสันตติเกิดขึ้นตันตะเลไหลไปไหลไปที่ไหนไหลไปสู่ความแกว่วันนี้ก็แก่ไปชั่วโมงนี้แ ก, ก่ไปแก่ไปมันค่อยๆไปไปไปนิดสันทุกมันไปเข้ามันไปเข้ามันไม่ใช่ออกมาเป็นอุปทานแบานี้ ทุกทุกที่เป็นทุกของอริสัจอันนี้ทุกเพราะเหตุเช่นความโกรธความโลภความหลงความวิตกความวอนหมองนี่เป็นทุกอริสัจอริสัจนี่ทุกนี่ถือว่าเป็นทุกที่เด็ดขาดไม่ต้องทุกข์เลยอันทุกเพราะคันนุกขทุกทุกเพราะต้องกินต้องขับต้องถ่ายอันนี้ไปเกิดไมาได้ เป็นทุกข์สภาวะทุกข์ตอมธรรมชาติเจ็บไข้เรือป่วยเกยเจ็บตายเป็นสภาวะทุกข์ตอมธรรมชาติไม่เชื่อมาเป็นทุกข์ทุกวันนี่เป็นทุกข์ที่บรรเทามันหิวก็กินข้าวบรรเทาไม่ใช่แค่แค่ไม่ได้มันร้อนก็ห่มผ้าไม่ใช่แค่มันหนาวเออมันร้อนก็อาบ หนาวก็ห่มผ้าอันนี้ไม่ใช่แก้บรรเทายอย่เพื่อดีป่วยบันเทารักษาอ่าบางอย่างโครคภัไข้เจ็บโรคบางอย่างรักษาได้ที่เป็นรูปโรคอันนั้นเขาเรียกว่ารูปโรคไม่ใช่รูปธรรมดามันเป็นโรคหัวหนองตาเป็นโรคมะเร็งเนี่เรียกว่ารูปโรคโรคของรูป อันนั้นหมอนั่งอยู่เนี่ยช่วยได้โลกอนะไรโลกที่เกิดความโกรธความโลภความหลงความทุกข์เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองถ้แม่จะช่วยลูกก็ไม่ได้ลูกจะช่วยพ่อช่วยแม่ก็ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองอย่างที่มาเนี่ยต้องมาด้วยตนเองอาศัยตัวเองตัวใครตัวมัน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 ฮะอ้เปิลยชุ่มพวงเลยเปิดชุมพวงเลย <laughs> อ่ะอ้มีจิเออก็กลับมาโอ้เห็นไหมเห็นมันหลงไหมเวลาคิดว่าจะคิดไปเลยมันคิดไปก็กลับมารู้สอนแล้วมันหลงไปอีกลู่สอนตัวเองแล้ว ดีไหมดีดีกันสอนตัวยังไงเนี่ยไ่ใช่ไปเบื่อหน่ายไหมเอาให้มัหลงลงไปสนุกลูก้เอาความหลงมาเป็นความสนุกเอามันทุกข์เอกมาเป็นความรู้สนุกลูก้เห็นมั้นหล่ะเนี้ยเรื่องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเปลี่ยนลายเป็นดีเปียนพี่เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์คือเปลี่ยนเป็นตัวรู้นี่แหละรู้อย่างเดียว เอาไปก่อนอย่าเอาเหตุเอาผลทำไมจึงหลงทำไมจึงทุกข์ทำไมจึงไม่สงบทำไมจึงพุ่งสร้างทำไมไม่รู้สึกตัวอย่าไปทำไมทำไมทำไมคำ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมทำไ ม, ทำไมไม่มีนี่แต่ยิ้มยิ้มไปเลยมันทุกข์ก็เห็นยิ้มยิ้ม ม, มันสุข ก, ก็เห็นยิ้มยิ้มหัวราะนตัวเองถ้าใครรู้จักหัวร้อตัวเองได้ละ่ะดีมาก ห่วเราแต่จึงอ um. <ête. S 2> nope. ื่นใช่ไม่ได้หรอกหัวเราความทุกข์ได้เหมือนกันนะหัวลราะของปวดได้เหมือนกันบ้าเอ้ยถ้ามันไม่ปวดมันไปเโลูตะคาบเหมันกันถ้ามันไม่ปวดมันก็ไม่เฉลูโอ้ไม่เที่ยงเป็น so, ทุกข์ไปทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจึงใดไม่ เท่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจิตใจเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรประยุธ์ว่าตัวเราของเราความปวดตะคามังกรกับเบาลงเบาลงเบาลงตะคามังกรมันจะปวดทุบๆดังขึ้นคนจะร้องโอ้ยโอยยถ้าเรามาลูกจะตัวเดียร้องเพลงบレ่เวลาัปวดร้องเพลงแข่งกับควมปวด ไม่เที่ยงม่ใช่ตัวตนสิไหนเป็นทุกข์สินั้นมันไม่เที่ยงสิไหนไม่เที่ยงสินั้นม่ใช่ตัวตนสงไหนไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ควรยึดว่าเราว่าตัวของเรานี่คือตัวรู้มันก็แตกแขนไปนะ่ะเห็นรูปรูปมันบอกรูปมันสอนเรามันก็บอกนี่คือความไม่เที่ยงนะนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตน นี่เป็นหน้าที่ของลูกมันร้อนมันหนาวมันหิวมันปวดมันเมืเม่อยน้ำคือมันรู้อะไรได้ยกงกันก็่ลูกมันเจ็บนี่เป็นนา ม, มาทํามีกายมีความเพียรโลกก็รอแตกฉานอะไรก็เห็นความหิวเป็นเรื่องของกายไม่ใช่ทุกกายฮะ ถ้ามันเจ็บปวดที่กายก็เป็นเรื่องของกายอย่าใจอย่าไปเจ็บไปปวดแยกออกวา่าน้มอย่าเอากายไปขวงขังน้นน้าจะให้กายเป็นใหญ่กว่านา้นาน้านั่นต้องไม่เป็นอะไรเห็นนะเนี่ยรูปเป็นมันยาว่าน้า ม, มารูปอน้มทำรูปทุกน้าทุก รูปลู ก, ลกน้ำลูกมันมีมันมีอยู่ในกองลูกของน้ำนี่แหละเหมือนกันหมดลูกทกุก็เหมือนกันหมดต้องพิบตาหายใจคือน้ำลายต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องอะไรหลยหลยอย่างอันนี้เราเท่าเทียมกันหมดส่วนน้ำมานทำนั้น ถ้าเราไม่ลูบลูบด้านน้ำมัไม่ลูบจากแยกแยะถ้ามัเห็นลูบเห็นน้ําตามความเป็นจริงอะ่ะมันจะแยกออกก็เจ็บก็เจ็บที่ถ้าถ้าถ้าปวดท้องมันก็เป็นลูบใจมันต้องเดือดร้อนเห็นมันปวดมันช่พเป็นผู้ปวดมันก็ต้องมีโรคก็หลองตาปวดท้อง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 ไปตรวจสองกล้องหมอไปตรวจสองกองเอายาชาให้กอกปากลงไปใครบ้างเธอเคยกินยาชาเนี่ยไหมชีน้อยเคยกินไหมยาชาน้ำยาชาเหมือนเขาจะมาทาแผลนี่ยเขา่าตัดเนน่ไม่ด้วยจะเก็บอันนี้มันเป็นแผล อันนี้มันปากไม่มีลิ้นพอ ก, กินยาชาลงไปหนูรสชาติยอเยี่ยมเลยเ้วก็มองว่าโอ้ยสมน้ำหน้ามึงนอารูปเว้ยไม่ได้ทุกเลยมันมีลิ้นมามีรสอ๋อนี่เป็นยาชาไม่ใช่อาหารนะนี่แหละรูปเป็นอย่างนี้ทําไมมันเจ็บมันปวด ก, ก็ต้องทําำแบบนี้การช่วยเหลือรูปต้องทําอย่างนี้ อันนี้ก็ต้องหาตัดแบกออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ไม่มาต่อเอาใหม่นี่ลูกมันเป็นอย่างนี้ช่วยลูกคนลองช่วยอย่างนี้อันนี้ก็สาอะไรเขาเอาน้ำยาชามากอกปากมันก็ดีแล้วลูกเว้ยใจไม่ทุกข์เลยหัวเลาะลูกอ๋อจมน้นามันแล้วลูกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ ก็สองก้อนเขาบ่อยก็ยังแค่ไม่ได้มาตัดเอาก้อนเนื้อในลําคอเนี่ยตัดไปพิสูจน์อีกอพอพิสูจน์ได้แล้วเขาว่ามะเร็งน้าเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วโตตับอ่อนปวดท้องเหินมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดเวทนาพี่ตัวที่ตนมันแต่แขนมันแต่เห็นกายเห็นเวทนาเนี่ย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 อยู่ในพบในภูมิทั้งบดจนง่ายถ้าเห็นรูปเห็นนามว่าไม่จนนะการไปบัติธรรมมันเป็นเรื่องของส่วนตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้โดยตรงเรื่องอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วนทุกคนต้องมารับผิดชอบตัวเองให้ได้มันจะเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นตรงนี้ตกนรกเป็นเปรยเป็นสุรกาย แต่เฉานก็ยังไม่รู้รูปรลกดามเนี่ยนี่มันก็รู้อย่างเนี้ยเห็นแจ้งในรูปเดยนามเป็นธรรมชาติของโลกรูปโลกดามโลกโูกทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติมันหลอยที่มันเห็นเนี่ยมันแต่ฉานไปสมมุติบัญญัติตรรมะสัจจะความหลงเป็นสมมุติบัญญัติ ก็ไม่หลงเป็นปรมาจิัจักความทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติเคยทุกข์เท่าไหร่มีจริงไหมทมุกข์เคยสุขเท่าไหร่มีจริงไหมความสุขเอาความสุขมาให้ดูห่อนเอาความทุกข์มาให้ดูหน่อยมันไม่มีมันเป็นสมมตขมิขึ้นมาอุปทานขึ้นมายืดไว้ยืดไว้เป็นข้างเป็นข้าวเวลามันอกอดก็ด่ากาันข่ากาันเวลาหายโกรธล้วกอ็อายตัวเองอายกันบางทีเล่ากาันเวลามันอกอด ด่ากันได้เวลาหายก่อนเราเสียใจบางทีโกรธลงไปตีลูกตีลูกจนเห็นรอยมือห้านิ้วตีคนเนี่ยแดงแกีวเลยบางีเอาไม้เลียวมาเขี้ยนจนเลือดซึมเลยเวลาหายก่อนเราสองสานลูกเวลาลูกนอนเรายาบ่องไปตายแม่หลงตีนลงมือ ต่อไปแม่จะไม่ทำเยบางคนตีลูกหรืเสียใจมากเนี่ยผ ja ิดแล้วเพราะทําตามความโกรธทาตามความรักทําตามความจำอันนั้นไม่ใช่ชีวิตเราแล้วสีเปรียบความโกรธสืเปรียบความรักความจําเหมือนกันหมดน้องตาเคยโกรธโกรธร้องชายตีร้องชายตกคันนาอะไรเมื่อทั้งหนะ น้องชายตกเกียร์ขี้คนอยู่ดนพอเห็นน้องชายนั่งเกียร์ขี้คนอยู่เลยความน้องสาวนาทีโอ้ยน้องชายกูเป็นเด็กนาะมันคงกลัวบอกมันให้อากวัยปีนญ้าปายนานนอนไถหนาค่ํามันไม่ออกวัยมันโจงว่นอยู่เนี่ยป่วยก็ไม่มียากย็นอนะ่ะเราก็ห่วงแล้วก็กกวัยไถหนามึงทําไมไม่ออกลัวปีนี้ ค อ, อยาอยากยานแม่มึงยงสุดกีทุบหัวนอกตาเป๊ะเนี่ยใหจากตาเป๊ะไหมสองสารจับแขนน้องขึ้นมาน้องก็ร้องให้แต่ตอนนั้นพูดไม่ออกเสียใจน้องก็หนีเข้าบ้านไปเลยไม่เอาพ่วยเลย เราต้องให้ว่าจะปั้นกันนาะไม่ได้ปั้นกันนางหรอกต้องเอาควายไปเลี้ยงสมหน้ามึงบ อ, อว่าไงก็ตีห้องเขาห อ, อกลับบ้าน <c oughs> เอาควายกลับบ้านไปแม่พูดคําแรกว่าให้มึงเอาจา่าหน้ากับเมี่ยนนี่กูจะผ้าหนองกับบ้านเกา่าเอาไปจะาจีงของนะี่ะ <c oughs> เสียใจมากเลยไม่พูดจะคำเลยอ่าเราตีน้องแม่เสียใจพ่อไม่มีคบหัวกันกินเสียใจมากก็เสียเปรียบความโกรธมีไหมคิดหน่อยทำไมจะต้องรับใช้มันความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมาทาใจดีๆนะเห็นมันชัดเจนแล้วนะ เป็นปัญญาของเราการศึกษาธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะมันพ้นจริงๆนะพ้นจากความโกดความโลภความหลงพ้นจริงๆแล้วก็อยู่เย็นเป็นฉุกไม่เบียเบียนใครเลยเป็นอย่างนี้นะปฏิัปธรรมไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรมีฤทธิ์มีเดชทองเหินนั่นฟะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมาลู่โดยงงจนเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้ไม่ทุกข์เหนือสัมปันธิตุล้ว เวทนาเป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์ปิญญาณเป็นทุกข์ปิญญาไม่เป็นทุกข์เปลี่ยนมันได้อย่างงี้เพราะอฏิปักษ์เคยเปลี่ยนแล้วถ้าคนไม่ศึกษาถูกความทุกข์ครอบงำแล้วถูกความทุกข์ย่างเืาแล้วถูกความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว แนนอนที่สุดก็ดเจอเจ็บตาทุกคนต้องไปจุดนี้แน่นอนทําไมเนียมันครอบมั่มเราประชารความทุกข์น่ะความโกรธน่ะมันมีขี่ช่างขี่ม้าถือวตมาใหม่มันไม่มีมันเกิดอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่ความไม่รู้ตรงหถ้าเราไม่รู้จักตัวเน่ะทำเท่านี้ไผเลาะในเบื้องต้นไปเลาะในท่ามกลางไปเลาะในที่สุด คำจัดจิเลศิณคำจัดจิเลจังอยากสมาธิกคำจัดจิเลจังกลางปัญญากคำจัดจิเล่างละเอียดตัวมีรู้อย่างนี้ก็ใจดีกว่าเก่ารู้กว่าเก่าหมันรู้รู้โดยเองเนะี่ยมันมีใจดีกว่าเก่าไม่ใช่ดีใจใจมันดีโอ้ใจดีนี่เป็นบุญตัวรู้นี่เป็นบุญ ลูกบุญลูกบาปบาปคือไม่ลูกคือทุกบุญคือตัวลูกคือไม่ทุกโอ้บุญคือตัวนี้ฉินคือตัวนี้ทุกบุญลบาปลูกศานะสตานาศาสนาคือคําสอนทั้งหลายแต่พุทธเจ้าสอนในลูกลรงนี้ตื่นจากทุกมาตัวพุทธพระธรรมพระสงเห็นธรรมอย่างนี้หรือ ว, ว่าเห็นูที่เจ้า ว่จะเห็นพระเจ้าเดินมาอันนั้นเป็นนิมิตอย่าไปอย่าไปสนใจพระวางรูปเดินยองกลมอยู่เห็นอันนั้นเป็นนิมิตวัที่มาบอกหลงตาเป็นนิมิตอย่าไปหลงมันเห็นกายเห็นเวชนาเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรเดินก็กลับมาผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปะฏิจัสมบาท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 นะอย่างพระเจ้าสอนพวกเราผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงผู้นั่นน่ะถึงนิพพานได้ผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้นั่นถึงนิพพานได้ผู้ใดเห็นควาไมวา ไ, ว ไ, วาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้นั่นถึงนิพพานได้จเพสังการาอเิจาติญาท่าปัญญาจะปัจจติ อาถานี้เป็นตาติดทุกข์เอสมโควิสุติยเมือ่ออะไรเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญ า, าสังขารทั้งสองไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระเนปานอันเป็นธรรมหมดจดุดเอาความไม่เที่ยงเปเลี้ยงานปุถุชนตรงความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ กูดูชนตรงกวามมันทุกมันเป็นทุกแต่พระพุทธเจ้าเอาความมันทุกมันเป็นในพานเรียว่าปฏิบัติเปลี่ยนร้อยเป็นดีย่างนี้เราก็หัดเปลี่ยนไปมันหลงลู่มันหลงลู่เรื่อยไปอย่างนี้ใจเ ย, ลลลล ย, ย, ย็นไหมไอ้แคน้อยอ่าสองคนเจบลาการปะ้อมกัน